ท่านวันนี้จะมาได้มีโอกาสมาบรรยายอีกครั้งหนึ่ง<ม>เนื่องมาจากครั้งที่แล้วปีที่แล้วนะได้มาหรือบรรดายในเรื่องการเตรียมตัวก่อนตายแล้วก็บรรยายได้หนึ่งชั่วโมงหมดเวลาหลายๆท่านอยากจะฟังรายละเอียดหรืออยากรู้ลึกยิ่งไปกว่านั้นอีกว่า คนเรามีการเรียนไหว้าตายเกิดเมื่อคนเรามีการเรียนไหว้าตายเกิดนีก็อยากจะรู้ว่าตายแล้วเนี่ยจะไปไหนนธรรมาก็เลยเลยกลาลบค้างไว้ว่าถ้าโอกาสมีในปีต่อไปเนี่ยจะจะมาพูดเรื่องตายแล้วไปไหนเพราะนี้หลายๆท่านก็อยากรู้นะ่ะคืออยากรู้ว่า ตายแล้วเนี่ยเราจะไปไหนเรื่องของความตายเนี่ยทุกคนไม่ชอบนะใครๆก็ไม่ชอบใครๆก็ไม่ต้องการแต่เราก็หนีไม่พน้นทุกคนก็จะต้องตายแต่วกตายทั้งหมดตายไม่มีเหลือนะ่ะเกิดมาแล้วมีความตายเป็นที่สุดสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้ล้วนแต่มุ่งหน้า ไปสู่ทิศทางอันเดียวกันคือไปไปสู่ความตายและเราจะพยายามหลบหนีก็หนีพยามมจุราต์ไม่ได้เวลามัจุราต์ต้องการตัวเราเนี่ยเราจะหลบหนีไปไหนก็หลบหนีไม่พน้นเราพยายามป้องกันแต่เราก็ป้องกันได้เพียงทพื่อครั้งาพื่อคราวเท่านั้นอย่างเรามีโรงพยาบาลเรามีแพทย์ มีพยาบาลช่วยอันนั้นก็เพียงบำบัดทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าวาระสุดท้ายจริงๆเนี่ยถึงเราไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเล ย, เยกายของเราก็ทนอยู่ไม่ได้กายของเราก็จะต้องแตกดับไปเป็นที่สุดจะต้องตายไปในที่สุดบุกคลที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ย ทุกคนมีโรคภัยไข้เจ็บเดียดเบียนเดียดเบียนกายทําให้กายของเราเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็เมื่อกายเป็นทุกข์ใจของเราก็เป็นทุกข์ด้วยที่ทําอย่างไรอทําอย่างไรจึงจะให้ทุกข์ทุกข์เบาบางทุกข์ลดน้อยลงไปเราก็มีการบําบัดมีการบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆให้ลดน้อยลงไป หรือว่าเป็นการแก้ไขนะเป็นการแก้ไขทำให้ชีวิตของเราอยู่ยืนยาวนานต่อไปคราวนี้ถ้าเราเกิดไม่เป็นอะไรเลยนะไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยกายของเราก็ทนอยู่ไม่ได้ถึงวาระสุดท้ายจริงๆเนี่ยระบบการทำงานของกายเนี่ยเขาก็จะไม่ทำงานอย่างคนชราที่มีสุขภาพพารณมัยดีเนี่ย ไม่ค่อยได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไระแล้วก็อยู่จนถึงถึงวาระสุดท้ายตายด้วยโรคชราไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องไปลงพยาบาลแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยตายก็ดับไปจิตดับไปตายดับไปแตกดับไปตายไปเป็นธรรมดาตันนี้เมื่อบุคคลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องตายจากโลกนี้ ตัวเราเองที่นั่งที่นี่ก็ต้องตายจากโลกนี้แม้แต่ตัวผู้บรรยายก็จะต้องตายไปจากโลกนี้คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าตายแล้วเนี่ยเราเราจะไปอยู่ที่ไหนนะตายแล้วเราจะเกิดอีกหรือเปล่าบางคนก็มีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดอีกบางคนก็มีความเข้าใจว่าตายแล้วก็สูญไป ตายแล้วก็ไม่เกิดอีกความคิดของคนเราเนี่ยเป็นไปต่างๆนานานานับประการอันนี้ก็จะให้มามองในทัศนะนะทัศนะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้อย่างไรท่านแสดงว่าบุคคลเราตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วสูญอันนี้ถ้าไปถามท่านนะ ว่าคนเราเนี่ยตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดหรือตายแล้วจะสูญสลายไปจากโลกนี้เนี่ยพระองค์ไม่ตอบตอนนี้ท่านไม่ตอบทำไมท่านไม่ตอบนะ่ะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยในยุคนั้นมีบุคคลเขาถือกันแบบสุดโตถือว่าตายแล้วเกิดตายแล้วต้องเกิดแน่นอน แล้วก็ยังถือกันต่อไปว่าตายแล้วเกิดเป็นอะไรอะไรก็จะต้องเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นมนุษย์ตายไปเกิดมาก็เป็นมนุษย์อีกเป็นผู้หญิงตายไปตายแล้วเกิดมาเป็นผู้หญิงอีกเป็นผู้ชายตายไปเกิดมาแล้วก็เป็นผู้ชายอีกถือว่าการเกิดเที่ยงแท้แน่นอนสัยยตว์เดรัจฉานตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอีก มีบุคคลเข้าใจอย่างนั้นและอีกประการหนึ่งเนี่ยคนอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าตายแล้วไม่เกิดคนเราตายแล้วก็สลายไปหมดไปศูนย์ไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วก็ไม่ได้กลับมาเกิดอีกศูนย์ไปโดยสิ้นเชิงน่ะมีความคิดเห็นกันในลักษณะอย่างนี้ มีบุคคลท่านหนึ่งคือบวชเข้ามาเป็นพระแล้วนะ่ะแล้วก็ไปทูลถามพระธรรมาลของพเจา้าว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญพระองค์ไม่ตอบทําไมไม่ตอบดังที่ธรรมาลได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละคราวนี้พระองค์ตอบแบบไหนเวลาตอบเนี่ยเวลาตอบเนี่ยท่านจะตอบว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยตอบว่าตายแล้วเกิดก็ตอบไม่ได้ตอบว่า ตายแล้วศูนย์นี่ก็ตอบไม่ได้อีกแบอบกว่าถ้ายังมีเหตุมีปัจจัยอยู่บุคคลนั้นตายแล้วก็เกิดตามอำนาจของเหตุปัจจัยถ้าปราศจากเหตุปัจจัยบุคคลนั้นตายแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกอันนี้เป็นการตอบแบบหลักสัจธรรม ว่าสัตว์โลกเต็นไปตามกรรมการกระทำเป็นเหตุทําให้สรพสัตว์หมุนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่การทำกรรมเป็นเหตุทาให้สัตว์ต้องหมุนเวียนอยู่ในภพแล้วภพเล่าอยู่ล่าไปบุคคลใดเนี่ยยังกระทำกรรมอยู่บุคคลนั้นยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏบุคคลใดเนี่ยหยุดการกระทำกรรมแล้ว บุคคล น, นั้นก็ไม่ต้องเวียดไหวตายเกิดในสังสารวัตรอีกต่อไปและจะเห็นว่าพระดำรัสขององค์สมเด็จพระผู้มีพภาคเจ้าที่ท่านดำรัสออกมานั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการยืนยันว่าตายแล้วเกิดแล้วก็ไม่ใช่เป็นการยืนยันว่าตายแล้วสูบเป็นการตอบว่าตายไปแล้วเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ถ้าจะเกิดเกิดด้วยอานาจของอะไร ถ้าไม่เกิดไม่เกิดด้วยอํานาจของอะไรเป็นการแสดงในในลักษณะนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องกฎแห่งกรรม <c oughs> แสดงเรื่องกฎแห่งกรรมว่าสรรพสัตว์เป็นไปตามกรรมที่ท่านแสดงว่าสัมมุนาวัสตริโรโภเน์โลกเป็นไปตามกรรมทํารรมอย่างไรก็จะเป็นไปตามกรรมที่บุคคลนั้นกระทา ทำกรรมดีก็ได้ดีไปทำกรรมไม่ดีผลแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นตามมาอันนั้นเป็นกฎที่องค์สมเดชปรัชญามีพระพักตเจ้ า, าทรงสแสดงอธิษฐานแสด ง, งว่ายาที่สังรักษเตพีชางตาที่สังรักษาเตพรังกาลยานการีกลยานังปาปการีกับปาปังบอกว่าสรรพสัตว์เป็นไปตามอํานาจของกรรมทํากรรมดีก็ได้ดีทํากรรมชั่วก็ได้ชั่ว เหมือนกับบุคคลหวานเมล็ดพืชหวานเมล็ดพืชชนิดใดผลก็จะออกมาตามมาตามพันธุ์ของเรล็ดพืชนั้นๆการกระทําของบุคคลก็เหมือนกันการทํากรรมของบุคคลทํากรรมดีก็ได้ผลดีทํากรรมชั่วก็ได้ผลชั่วทันี้เรามาดูนะว่าเมื่อท่านแสดงคัตสนะอย่างนี้เราพอทราบหรือยังว่าตายแล้วไปไหน พอบองเขียนหรืออย่างว่าตายแล้วเนี่ยจะไปไหนเราทราบแล้วว่าตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเรายังทำกรรมการตายของเราก็มีการเกิดแต่ถ้าเราหยุดทำกรรมการตายของเราก็จะจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปและบุคคลที่หยุดกระทำกรรมได้แล้วคือใครบุคคลที่ยังเป็นปภถุชนอยู่นั้น ยังมีการกระทำกรรมอยู่ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างคล้าคราวกันไปแล้วแต่เหตุปัจจัยหรือกำลังของสติปัญญาของแต่และบุคคลแต่และบุคคลที น, นี้ว่าเรายังหยุดทำกรรมไม่ได้เนี่ยตายแล้วก็ต้องเกิดต้องเกิดอีกเกิดตามอำนาจของกรรมใครหยุดทำกรรมได้แล้วบุคคลที่หยุดทำกรรมได้แล้วเป็นบุคคลที่สลัดทิ้งสองประการได้สาเร็จ บุญไม่กระทําอาภัสรกรรมก็ไม่กระทําทั้งสองประการเป็นการหยุดทําบุญและหยุดทาบาปได้ทั้งสองประการเพราะว่าบาปนําไปสู่ทุกขติบุญ น, นาไปสู่สุขติบุคคลทําบาปบาปก็นําไปให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทีนี้เมื่อยังกระทําบุญอยู่บุญก็เป็นเหตุนําไปเกิดสุขติ ก็ยังถือว่าต้องท่องเที่ยวเวียน่ายตายเกิดในสังสารวัตรต่อไปไม่สามารถจะหยุดการเวียน่ายตายเกิดในสังสารวัตรได้ใครสามารถลอยบุญและลอยบาปได้สาเร็จบุคคลที่ลอยบุญลอยบาปได้สาเร็จนั้นเป็นบุคคลที่ขจัดกิเลสออกจากใจได้ทั้งหมดกิเลสไม่หลงเหลืออยู่ในใจหะวิชาโมหะ ไม่ปกติจิตใจสติปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทันอยู่ตลอดบุคคลที่มีสติอยู่ทุกเมื่อนะมีสติไม่หลงลืมอยู่ทุกเมื่อเป็นบุคคลที่ลอยบุญลอยบาตได้สาเร็จและบุคคลผู้นั้นก็คือพระอาหารหันต์นั่นเองพระอรหันต์นั้นไม่ใช่อื่นใดเป็นบุคคลที่มีสติอยู่กับกายและอยู่กับความรู้สึกอยู่ตลอด เป็นบุคคลที่ไม่มีการหลงลืมอีกต่อไปมีสติระลึกไวระลึกทันอากาจิริยาอาการของจายทุกๆอาสากิริยาอาการได้และระลึกทันความคิดของตนเองได้ทุกๆความรู้สึกในจิตเราก็สามารถจะทำได้นะแต่เรามาพัฒนาใจของเราเนี่ยเข้าไปสู่ไปสู่ความรู้สึกไวเพียงแต่เราสุดที่จิตของเรานี้นี่แหละ ฝึกเจตของเราให้มีสต <mel> ิบ er ่อยๆระลึกถึงกายบ่อยๆระลึกถึงความรู้สึกบ่อยๆเมื่อเราระลึกถึงกายของเราบ่อยๆระลึกถึงความรู้สึกบ่อยๆจนกระทั่งใจของเราคุ้นเคยกับกายนี้คุ้นเคยกับความรู้สึกของเหล่านี้สติก็จะเกิดตลอดพอสติเกิดตลอดความหลงลืมก็จะไม่เกิดพอความหลงลืมไม่เกิด ก็สามารถวางเฉยในบุญและบาปได้สำเร็จการกระทํายังมีอยู่แต่จิตที่เข้าไปยึดติดในลักษณะเป็นบุญเป็นบาปไม่มียังมีการกระทําเหมือนเดิมเหมือนกับบุคคลธรรมดาทั่วไปแต่การกระทําของท่านเหล่านั้นเป็นแต่เพียงสักว่าการกระทมเท่านะั้นทำสักแต่ว่ากระทําเรียกว่าเป็นแต่เพียงปริยา ไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นบาปอีกต่อไปบุคคลประเภทนี้นี่แหละลอยบุญลอยบาปได้สมเด็จแล้วบุคคลที่ลอยบุญลอยบาปได้สาเร็จแล้วนี่นี่แหละไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสองสารวัตอีกต่อไปแต่บุคคลที่ยังสลัดบุญและบาปออกจากจิตไม่ได้ก็จะต้องหมุนเวียนอยู่ในพบน้อยพบใหญ่อยู่ต่อไปคีนี้ตายแล้วจะไปไหนตายแล้วเนี่ยไปตามความปรารถนาของเ เราอยากจะไปไหนมาถามใจของตัวเราเอง่ะเราอยากจะไปไหนถ้าเราอยากจะไปไหน <S <S เราก็ไปที่นั่นทหนทั้งหลายอยากมานี่ท่านก็มานี่ถ้าท่านทั้หลายไม่อยากมาที่นี่ท่านก็ไปมาในวันนี้วันนี้บางท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่บางท่านก็เป็นผู้มาบำบัดรักษาที่นี่ถามว่าทำไมท่านจึงมาที่นี่เพราะอยากมาที่นี่จึงมาที่นี่ แล้วท่านก็มาสู่สถานที่แห่งนี้มาสู่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้สาเร็จมาได้เพราะอะไรมาได้เพราะใจปรารถนาจะมาที น, นี้เมื่อใจของคนเนี่ยปรารถนาจะไปไหนก็จะไปสู่สถานที่เหล่านั้นบุคคลที่ตายจากโลกนี้ก็เหมือนกันเราปรารถนาจะไปไหน ถามใจตัวเองนะท่านทั้งหลายถามใจตัวเองวันตายแล้วอยากจะไปไหนแล้วท่านจะได้ไปที่นั้นพอตายแล้วเราอยากมาเมืองมนุษย์อีกเราก็จะได้มาสู่มนุษย์สคภูมพนี้ถ้าเราตายแล้วอยากจะไปสู่เบื้องบนสูงยิ่งกว่านี้ไปสู่เทวภูมิเราปรารถนาแล้วเราก็จะไปสู่เทวภูมิหรือท่านทั้งหลายเบือ Czyli, ่อมนุษย์เต็มทีแล้วเบื่อมนุษย์เหลือเกิน เบื้องบนก็ไม่อยากจะไปแต่อยากจะไปทัศนศึกษาในอบายาภูมิบ้างเมื่อปราถนาท่านก็นไปได้เหมือนกันท่านี้บุคคลเนี่ยปราถนาแล้วเป็นเหตุให้เกิดการกระทำเรียนสำคัญอยู่ตรงนี้ไงเพราะเราปราถนาแล้วเป็นเหตุให้เกิดการกระทำการกระทำดีเกิดขึ้นจากแรงปราถนาการกระทําระทาชั่วก็เกิดขึ้นจากแรงปราถนาจิต มีความปรารถนาพอจิตมีความปรารถนาแล้วเราก็กระทาตามจิตพอเรากระทาตามจิตเนี่ยการกระทําของบุคคลเหล่านั้นจะทําด้วยเจตนาความตั้งใจโดยเจตนาความตั้งใจเนี่ยพระ ก, กรรมาตุพระเจ้าท่านเรียกว่ากรรมโปร่งทรงแสดงว่าเจตนาหังพิฆเวกัมบังวาัาฐิ เจตยิตวาจำบังกโลติ迦เยณวาจามรารสาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุที่บุคคลมีเจตนาความตั้งใจเป็นเหตุในการจะทำการงานให้สาเร็จทางกายทางวาจาและทางใจด้วยเหตุนี้เราตถาคตจึงกล่าวว่าเจตานานั้นเป็นตัวกรรมคือการกระ ท, ทําของบุคคลเราเนี่ย ทำดีได้สาเร็จสาเร็จที่เจตนาทำชั่วได้สาเร็จสาเร็จที่เจตนาเจตนาเป็นเหตุให้กระทำดีเจตนาเป็นเหตุให้กระทำชั่วท่านจึงแสดงเจตนาตรงนี้ว่าเป็นตัวกรรมแล้วการกระทำดีกระทำชั่วเกิดขึ้นจากความปรารถนาต้องการจะกระทาเราปรารถนาจะกระทำราา ก, กรำําดีเราก็ไปกระทากรรดีดกรรมดีมีอะไรบ้าง ทำกรรมดีด้วยการให้ทานทำกรรมดีด้วยการรักษาศีลทำกรรมดีด้วยการเจริญภาวนาอยาลามาฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นการกระทำกรรมดีกรรมดีในขั้นของภาวนาจัดอยู่ในขั้นภาวนานะฟังธรรมการฟังไปใส่ใจไปพิจารณาไปเป็นธรรมะวิจยะสัมพชฌ เป็นคุณเครื่องแห่งการทําให้สติปัญญาเกิดเรียกว่าคุณเครื่องที่จะทําให้ตรัสรูสร้ธรรมเป็นธรรมวิทยสามพจน์ไข้่วนตามกะแสรธรรมไปพิจารณาบไหใไข้ควรไปถือว่าเป็นการกระทําทางใจแล้วการกระทําของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีการกระทําอยู่สามทางด้วยกนะันการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาการกระทําทางใจการกระทําทั้งสามประการนั้นเนี่ย สำเร็จลงที่ใจจะไปสำเร็จลงที่จิตจิตปรารถนาจะกระทําก่อแล้วจึงมีการกระทํามีการกระทําทางกายลงไปมีการกล่าวทางวาจาออกมาแล้วก็มีการไข้ครวนทางใจเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากความปรารถนาจะกระทำํำตามปรารถนาเป็นเหตุให้กระทํากรรมแล้วกรรมเป็นเหตุนําบุคคลไปสู่สถานะต่างๆ พิทาบาบอกว่าบุคคลตายแล้วจะไปไหนเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปตามความปรารถนาของเราไม่ได้ไปตามความปรารถนาของคนอื่นจะไปอบายภูมิก็ไปตามความปรารถนาของเราทาั้งๆที่เราปรารถนาแล้วเราไม่รู้ว่าเราปรารถนาด้วยซ้ำไปนะแต่เราปรารถนาเรียบร้อยแล้วปรารถนาจะทาําอักขรกรรมนั้นนั่นแหละเป็นการปรารถนาไปอบายภูมิ บางครั้งเราไม่รู้ว่าปรารถนาอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางต่าแล้วเราก็ไปกระทำตามความปรารถนานั้นๆพอไปกระทำตามตามปรารถนานั้นๆผลแห่งการกระทำมีอยู่เนี่ยเมื่อผลแห่งการกระทามีอยู่ทำอย่างไรอ่ะผลแห่งการกระทำนั้นก็นำไปสู่ทางต่าพอนำไปสู่ทางตาม่มเราก็ได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเกิดขึ้นติดตามมา อรการก็ทําดีก็เหมือนกันนะการก็ทําดีเราก็ทําตามคว า, า, ามปรารถนาทํำตามตามความปรารถนาเราจะให้ทานเนี่ยบางทีเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้หลายวันเน่ยจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่จะทําบุญฉลองครบรอบ อ, อายุอะไรต่างาเนี่ยเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้นานปรารถนาไว้นานนะแล้วบางคนเนี่ยปรารถนาเป็นปีก็มี ปรารถนาบางคนเนี่ยปรารถนาถึงยี่สิบปีก็มีใช่ไหมจะกระทำดีจะ่าราอย่างไรอ่ะเมื่อเราตั้งท้องเนี่ยเราก็ปรารถนาบุตรในท้องของเราจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหนอถ้าบุตรของเราเนี่ยเป็นชายปรารถนาไว้เลยนะอายุของบุตรเราครบยี่สิบปีเวลาใดเนี่ยเราจะให้พระบวต เราจะจัดงานบวชให้บุตรของเราในปรารถนาแล้วแล้วก็พเพอิญบุตรเป็นผู้ชายจริงๆครบอายุยี่สิบปีพอดีเราสําเร็จตามที่เราปราฐถนาไว้ให้บุตรของเราบวชตามประเพณีนิยมของชาวพุทธว่าทาผู้ชายอายุครบยี่สิบปีแล้วจะต้องบวชบวชก่อนเรียนก่อนเพื่อต้องการที่จะให้รักธรรมคำส อ, สอนของพระศาสนานั้นกล่อมเกล่าวจิตใจ แล้วก็จะได้อาศัยหลักธรรมนั้นเป็นเครื่องนําพาชีวิตให้ชีวิตของเราดําเนินไปในสังคมโดยไม่เกิดความทุกข์มากเกินไปเราก็ปรารถนาดีต่อบุตรให้บุตรเห็นได้ว่าเราปรารถนาไว้นานแล้วเราก็กระทาตามความปรารถ น, นานั้นสรรพสัตว์เป็นไปตามการรมนี้นี่เองไม่ได้เป็นไปตามสิ่งใดแล้วกรรมก็คือการกระทําของตัวเราเองทํากรรมอย่างไรก็ภัย ไปสู่สถานะอย่างนั้นอย่างนั้นทำบาปอากคุสรกรรมบาปอากุศรกรรมเกิดที่ไหนบาปอากุศรกรรมไม่ได้เกิดที่ไหนเกิดที่ใจของเราเนี่ยการกระทําของบุคคลเนี่ยมีสามทางทางกายทางวาจาและทางจิตกระทําทางตายแต่สําเร็จเป็นกรจำที่ใจเนี่ย กล่าวทางวาจาเนี่ยแต่ไปสำเร็จเป็นจมที่ใจเหลือดำริไว้ในใจก็สำเร็จเป็นจมในใจดังนั้นกรรมที่จะสำเร็จเนี่ยสาเร็จลงที่ใจแต่เกิดขึ้นจากการกระทำสามทางด้วยกันทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้ททางทางกายเนี่ยทำแบบไหนที่เรา ร, รู้เราเข้าใจก็ดีอยู่แล้วนะว่าทางกายเนี่ยเรากระทำจำโดยการเอากายของเราไปฆ่าเขา แล้วก็เอากายของเราเนี่ยไปลักขโมยของเขาเนี่ยเอากายของเราเนี่ยไปประพฤติผิดในบุตรในพัญญาของบุคคลอื่นเขาเนี่ทางายจะกระทำได้อย่างนี้ทางวาจาทางวาจาทำอย่างไรอะทางวาจาก็คือการกล่าววาจาการพูดออกไปพูดคำโกหกหลอกลวงเขาพูดส่อเสียดพูดคำหยาบใส่เขาพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไ ล, ล่สาระ ถือว่าเป็นการกระทำทางวาจาส่วนทางใจเกิดขึ้นจากการคิดอย่างไรอ่ะคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาพยาบาทเขาเบียดเบียน เ, เขาคิดอยากจะได้ของของเขาเอามาเป็นของของเราแล้วก็เห็นผิดไปกระทำตามความคิดเหล่านั้นครับถามว่าในชีวิตของเราเคยคิดไหมแบบโปรโตชนนะ คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้การคิดเหล่านี้ความปรารถนาอย่างนี้การกระทาอย่างนี้จะนำวิถีชีวิตเราไปสู่สถานะทางกรรมผลแห่งกรรมที่กระทาอย่างนี้นะท่านแสดงไว้ว่าเกิดขึ้นสองสถานะด้วยกันสถานะลิกเนี่ยเขาสามารถนำตัวเราไปสู่สถานที่ต่างๆเรียกว่านำเกิด เนี่ยเรากําลังเข้าสู่ประเด็นนะว่าตายแล้วจะไปไหนกรรมนี้เป็นผู้นําไปถ้าเราคิดอย่างนี้กรรมนี้จะนําไปนําเกิดท่านเรียกว่าให้ผลเป็นปฏิสนธิเพราะว่าการกระทํากรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลกรรมเนี่ยเรายังลอยบาปไในสาเร็จบาปเขาก็นําเราไปคราวนี้เมื่อบาปนําไปอกุศลนําไปเนี่ยเรามาพิจารณานะว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ย เราจะหาคนนำทางแล้วก็คนมีสองประเภทคือจะให้เขานาชีวิตเรามีคนดีกับคนไม่ดีตัดสินได้ไหมว่าคนดีเขานำเราไปไหนคนดีๆเนี่ยเขานาเราไปไหนคนดีจะนำเราไปสู่สถานะที่ดีมีความสุขแล้วถ้าคนไม่ดีคนชั่วนำเนี่ยจะนำไปไหนคนชั่วเนี่ยจะนำเราไปไหนคือคนชั่วนำเนี่ย เขานําเราไปไหนเราจะเดือดร้อนที่นั่นเขาจะนําไปในในทางต่างเขาจะไม่นํำไปในทางเจริญและเราจะเลือกให้ใครนําระหว่างคนดีกับคนชั่วเนี่ยตัวเราเองเรารู้ว่าใครดีใครชั่วแล้วเราเราอยากได้ผู้นําแบบไหนกรรมก็เหมือนกันกรรมชั่วบาปอกุศลแล้กรรมนำไปไหน เขาก็นําไปสู่สถานะแห่งทางต่างท่านบอกว่าอากุศลกรรมเนี่ยนําไปสู่สถานะทั้งสี่ตายแล้วอกุศลกรรมเนี่ยจะนําไปสู่สี่สถานะด้วยนำไปไหนบ้างนําไปยังดินแดนที่ไม่สบายไปอยู่ในสถานที่นั้นจะไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลยท่านเรียกว่าทุกดินแดนแห่งความทุกข์ภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าทุกขติทุกติไป ทุกแปลว่าไม่ดีทัศน์ที่ไปหรือทางไปไม่ดีไปแล้วมีความทุกข์บาปอาุสลกรรมนําไปเนี่ยนําเกิดเวลานําเกิดเนี่ยเขานําอะไรเกิดคนเราเวลาเกิดเนี่ยอะไรเป็นผู้เกิดในชีวิตของคนเนี่ยหรือในตัวของบุคคลเนี่ยมีสองประการมีกายอย่างหนึ่งแล้วก็มีจิตอย่างไอ้ที่นำเกิดไม่ได้นําอะไรเกิดอะนําร่างกายให้เกิดขึ้นมาใหม่ แล้วก็นำจิตให้อุบัติเกิดขึ้นมาใหม่จิตดวงแรกรูปร่างกายที่เกิดครั้งแรกเกิดด้วยอำนาจของกรรมแล้วก็หล่อหลอมมาเป็นตัวเราเป็นรูปร่างกายเราเป็นจิตเราในตัวเราก็มีกายมีความรู้สึกเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากกรรมบาปอาบุตรและกรรมนำไปเกิดที่ไหนมาดูว่าบาปอาุตลกรรมเนี่ย เวลาเขานำเกิดเนี่ยจะนำเกิดที่ไหนเขานำไปเกิดในดินแดงแห่งความทุกข์นำไปเกิดเป็นสัตว์นรกนำไปเกิดเป็นเปรตนำไปเกิดเป็นอสุรกายนำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นชัดเจนก็คือเดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายเนี่ยคงต้องอาศัยเวลาศึกษาเปนนานหน่อยนะถ้าอยากจะรู้อยากจะเข้าใจ หรือถ้าอยากจะเข้าใจอย่างท่องแท้ก็ทดลองไปนะทดลองไปใช้ชีวิตของเราไปพัฒนะศึกษาแค่หนึ่งครั้งแต่กลัวว่ากลับมาจะลืมเหมือนปัจจุบันนี้เราลืมแล้วว่าเราเคยไปมามีใครเคยไปมาบ้างที่นี่มีไหมเนี่ยเราลืมแล้วพระุทเจ้ า, าสแสดงว่าบุคคลที่ไม่เคยไปเกิดในที่นั้น่ะไม่มีเคยไปมาแล้วแมนะ้แต่ตัวท่านเองท่านก็ไปมา บางชาติเนี่ยท่านหวาดผวาเลยในตอนเป็นพระโพธิสัตว์ตื่นขึ้นมาอุบัติเกิดขึ้นมาในแวดวงของเสวรสชัดเกิดในสกูลมหาษัตริย์ท่านหวาดผวาว่าพึ่งตกนรกไปไม่นานมานี้เองเพราะกระทําความผิดตัดสินผิดบ้างถูกบ้างอํานาจของาการกระทําผิดนําไปอบายราะเลยหวาดผวาไม่อยากจะ อยู่ในสถานะนี้อีกต่อไปเคยไปเกิดมาแล้วแต่เราจาไม่ได้ถ้าทดลองไปเกิดใหม่อีกเราก็จะลืมอีกแล้วจะทำแบบไหนดีเราก็มายุติกันด้วยตามศึกษาก็แล้วกันนะปัจจุบันนี้เราเชื่อในสถานะสถทาขตะโพธิสัตว์เชื่อในปัญญาของพระพุทธเจ้าแบบนั้นลึกซึ้งเกินไปก็มองแบบธรรมดาเนี่ย ว่าการอุบัติเกิดขึ้นในะในดินแดนเหล่านั้นมีความหาสุขไม่ได้เลยอฉะ น, นั้นเป็นสถานะที่หนึ่งนะที่บาปอาปุสสรกรรมเนี่ยเขานำไปนาไปอบายาีกสถานะหนึ่งอีกสถานะหนึ่งคืออะไรอะ่ะบาปอกปุสสรกรรมเนี่ยให้ผลอีกสถานะหนึ่งให้ผลในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่ ถ้าบาปนำเกิดจะต้องเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเปรดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าบาปตามมาเบียดเบียนให้ผลในสถานะตามมาเบียดเบียนเบียดเบียนในประวัติการประวัติการก็คือดานเวลาที่เรากําลังเป็นอยู่ตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่อ่ะตอนนี้เป็นมนุษย์มนุษย์มาจากไหนรู้ไมมนุษย์เนี่ยมาจากไหนมาด้วยอะไร การมาเกิดเป็นมนุษย์ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาด้วยอํานาจของลลกุศลลกรรมนั่นเราภูมิใจได้แต่เรามานั่งที่นี่เนี่ยกุศลพามาหรือคนดีพามากุศลพาเรามาอุบัติเกิดขึ้นในมนุษย์แต่เราอย่าประมาทเพราะอะไรอ่ะเราเคยทําบาปไว้บาปที่เราเคยทําไว้เนี่ยเขามีโอกาสให้ผล เขามีโอกาสให้ผลให้ผลตับร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นผลิตผลของบุญเนี่ยตัวเราเป็นผลิตผลของบุญแต่อุศลกรรมคือบาปยังติดตามมาให้ผลได้เราติดตามมาให้ผลอย่างไรเ่ะติดตามมาให้ผลในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในเวลาใดเราประสบทุกข์เดือดร้อนทางกายและทางใจนั่นเป็นผลิตผลของบาปแล้วผลิตผลของบุญก็เหมือนกัน ท่งเรามามนุษย์แล้วตามมาสนับสนุนผลิตผลของเขาอีกก็ได้ตามมาช่วยเหลือให้ได้รับความสุขบาปยามให้ผลจะให้ผลทําให้เราได้ประสบต่อสิ่งที่ไม่น่าอับผีลมบาปเมื่อให้ผลในประวัติการมทาให้เราเนี่ยเห็นก็เห็นแต่สิ่งไม่ดีได้ยินก็ได้ยินแต่เรื่องที่ไม่ดี กลิ่นก็เป็นกลิ่นที่ไม่ดีรสอาหารที่เราบริโภคเข้าไปรสไม่ดีเครื่องสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็เป็นเครื่องสัมผัสทางกายไม่ดีถามว่าเราได้ประสบ้างไหมวันนี้เห็นสิ่งไม่ดีมาบ้างหรือเปล่ามีไหมวันนี้เอาวันนี้ก็แล้วแบบใกล้ๆเนี่ยมีไหมไปเห็นสิ่งไม่ดีไม่ดีมาบ้างไหมวันนี้ ได้ยินเสียงที่ไม่ดีไม่ดีมาบ้างแล้วหรือยังโดนดุมาบ้างแล้วหรือยังโดนตำหนิติเตียนมาบ้างหรือยังถูกคนด่ามาบ้างหรือยังมีไหมวันนี้ถูกด่ามาบ้างแล้วหรือยังยังไม่ถูกด่าเดี๋ยวเย็นๆจะถูกดา่าถ้าวันนี้ไม่ถูกด่าพรุ่งนี้จะถูกดา่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่ถูกดา่าก็ยกยอดวันต่อเดี๋ยวต้องถูกด่าวันหนึ่งในที่เราได้ยินเสียงไม่ดีเนี่ยเป็นผลิตผลของใครอ่ะ เป็นผลิตผลของบาปอากุศลกรรมบาปอากุศลกรรมเนี่ยเขาให้ผลพอเขาให้ผลแล้วก็ทําให้เราเห็นแต่สิ่งไม่ดีได้ยินไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีได้รสไม่ดีได้สัมผัสไม่ดีท่านี้บุญนะภาพเป็นบุญเป็นกุศลกรรมความดีที่เขาสามารถนําเราไปสู่สุขตินตําปฏิสนธิจิตก็เป็นจิตของมนุษย์หรือเป็นจิตของเทวดา รูปร่างกายก็เป็นรูปร่างกายของมนุษย์รูปร่างกายของเทวดาตามไปสนับสนุนทำหน้าที่อุปถัมภ์ก็ไปสนับสนุนในทางดีถ้าบนมีโอกาสสนับสนุนเขาก็จะสนับสนุนดีๆสนับสนุนอย่างไรสนับสนุนทำให้เราได้เห็นดีพบคนดีมีมมตดีมีเพื่อนดีมีเจ้านายดีเป็นเจ้านายเขาก็มีลูกน้องดี เกี่ยวข้องกับคนดีหมดขอบุญให้ค่อนี่จะทำเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนดีหมดเบื้องต้นมีพ่อแม่พ่อแม่ดีต่อไปมีพี่เลี้ยงได้พี่เลี้ยงดีอยู่ต่อไปเข้าโรงเรียนเจอครูบาอาจารย์ดีเจอคนดีดีหมดในชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับคนดีหมดถามว่าถ้าเกี่ยวข้องกับคนดีแล้วชีวิตมีความสุขไหมชีวิตเราเนี่ย ในที่นี้เนี่ยหลายๆท่านไม่เหมือนกันถ้าเราสัมภาษณ์กันนะได้เจ้านายไม่เหมือนกันมีลูกน้องไม่เหมือนกันบางคนมีเจ้านายดีบางคนมีเจ้านายแบบใช้ไม่ได้คิดถึงเวลาใดก็ทุกใจเวลานั้นเรียกเจ้านายอะไรอ่ะคงจะเป็นเจ้านายไม่ฉลาดนะจริงเขาเป็นอย่างนั้นเองนะเจอเจ้านายไม่ดีแล้วถ้าเราเป็นเจ้านายเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเหมือนกัน บางคนเนี่ยมีลูกน้องดีทำอะไรลูกน้องช่วยเหลือหมดลูกน้องรู้ใจลูกน้องรู้งานทางานดีไม่มีสิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อนใจแต่บางคนได้ลูกน้องบอกอย่างนี้ก็ไปทาอย่างนั้นบอกอย่างนั้นก็จะเอาอย่างนี้ทำให้เจ้านายเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรอ่ะเพราะกรรมที่เราประสบสิ่งดีดีนั้นกุศลกรรมเนี่ยเขาตามสนับสนุน คอยช่วยเหลือผลิตผลของเขาที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรอ่ะเพราะอคุสลกกรมเนี่ยตามมาเบียดเบียนอกุสละกรมตามให้ผลอต้องเรียกว่าเบียดเบียนน่ะถ้ากุสลกกรมตามมาช่วยเหลือต้องเรียกว่าสนับสนุนพระธรรมะท่านใช้คำว่าอุปปีรักกรรมถ้าเป็นอคุสลกกรมมาเบียดเบียนชั่วมาเบียดเบียนดีเนี่ยนะ เรียกว่าเรียกว่าเบียดเบียนเป็นอุปปีรกับกรรมถ้าดีไปช่วยท่านใช้คําว่าอุปธรรมอุปธรรมพักกกรรมนั้นกรรมที่เรากระทําเนี่ยมีสิทตา ม, มาเบียดเบียนเราก็ได้มีสิทธามมาสนับสนุนเราก็ได้แล้วแต่ถ้ากรรมดีเรากําลังได้ประสบทุกดีก็จะช่วยทําให้ทุกหมดไปถ้ากรรมชัวช่วชั่วก็จะเบียดเบียนให้ตกตามทําให้ทุกเกลียดร้อง มองเห็นหรื อ, อยังตายแล้วไปไหนพอมองเห็นแล้วหรื อ, อยังตายแล้วเราจะไปไหนกันอยากจะไปไหนแถวนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ห้ามนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ห้ามว่าชั่วอย่าทำทำแต่ดีไม่ห้ามแต่ท่านชี้ทางบอกว่าถ้าทำชั่วไปอย่างนี้นะทำดีไปอย่างนี้นะแล้วท่านก็เลือกเอาเองต้องการจะเดินแบบไหนเดินทางไหนก็เลือกเอาเองเป็นสิทธินะ เป็นสิทธิเสรีภาพของตัวเราที่เราต้องการต้องการจะดำเนินชีวิตเราไปทางนี้เราก็มาดูนะ่ะการอุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนกันนะ่ะแต่ทำไมเป็นอยู่ไม่เหมือนกันเคยสังเกตไหมตรงนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนก็เป็นมนุษย์นั่งอยู่ในที่นี้แต่การเป็นอยู่ไม่เหมือนกันสถานะไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกัน กรรมจาแนก น, น่นนี่ไม่ใช่อื่นใจอ่ะกรรมกรรมดีเวลาให้ผลเนี่ยให้ผลดีไปหมดมองบุคคลผู้มีบุญเนี่ยในบ้านในเมืองของเราใครมีบุญนะมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาสเสด็จไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจัดสถานที่ไว้ต้อนรับดีๆหมดงั้นเห็นก็เห็นแต่เรื่องดีมองสมเด็จพระบรมราชินีนาะถ เขาจัดไว้สองข้างถนนยังไม่ได้เก็บนะ่ะติดไฟแถวลาวหมดแถวลาดดำเนินนะ่ะมองเห็นไหมทาไมอ่ะนั้นคนมีบุญคนมีบุญจะทําอะไรเนี่ยจะไปทางไหนเห็นดีหมดถ้าท่านไม่ดูทีวีท่านจะไม่รู้แล้วรถติดเป็นอย่างไรนะถ้าท่านไปดูทีวีเนี่ยท่านไปรู้ว่ารถติดเป็นอย่างไรเพราะว่าไปทางไหนรถไม่เคยติดเลยในหลวงเสด็จทางไหนเนี่ยรถไม่ติดเลยนะและ้วจะมีตํารวจมาเยือนคอยอาร์คายอีก แต่เราทําไมจะมาโรงพยาบาลวันนี้เป็นไงบ้างแย่ yeah, ไหมรถติดไหมวันนี้นั no. ่นเห็นไหมต่างมันมีบุญไปทางไหนก็สะดวกสบายนี่แหละตายแล้วไปไหนโยนตายแล้วจะไปไหนตายแล้วไปตามสถานะของกรรมที่เรากระทำ mm. มยุดติดตรงตร ง, ตรงนี้นะว่าตายแล้วเนี่ยไปตามสถานะของกรรมที่เรากระทําไว้แล้วการจะทํากรรมเนี่ย มีบุคคลมาบังคับให้เราทำหรือเปล่าคำดีกัำชั่วที่ทำเนี่ยถามว่ามีใครบังคับให้เราทำไหมเรายินดีพอใจทำเองหรือเปล่าเราปรารถนาทำเองไหมเราพอใจทำของตัวเราเองเมื่อเราพอใจทำตามของตัวเราเองเนี่ยตายแล้วไปตามกรรมการจะทำกรรมทำตามคว า, ามปรารถนาของเราชื่อว่าตายแล้วเป็นไปตามความปรารถนาของตัวเราเอง ไปสู่สุขคติบ้างไปสู่ทุกขคติบ้างทำไม่ดีไปสู่ทุกขค ต, ททขติทำดีก็ไปสู่สุขคติไปสู่ทุกขคติก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไปสู่สุขคติได้รับความสุขพระมาได้กล่าวไว้นะเมื่อปีที่แล้วครั้งที่แล้วบอกว่าคนเราในเวลาใกล้จะตายเนี่ยจำเขาเป็นเจ้าของมีสิทธิในการที่จะนาพาเราไป กรรมเนี่ยเขาจ ะ, สะแสดงอํานาจทันทีในเวลาใกล้ตายเนี่ยกรรมที่เขาเป็นเจ้าของที่จะส่งผลเนี่ยเขาจะมาปรากฏให้เรารู้เลยถ้ากุศลกรรมมีโอกาสกุศลกรรมก็มาปรากฏถ้ากุศลกรรมมีโอกาสอกุศลกรรมก็มาปรากฏกรรมเขาจะมาบอกว่าเรามีโอกาสนําพาท่านไปแล้วนะท่านสบายใจได้ถ้ากุศลกรรมมาเขาจะบอกแบบนี้ ท่านไปต้องเดือดร้อนใจเราจะนําท่านไปสู่สุขคติดีถ้าอกุศลกรรมมาเขาจะทําให้เราตกใจหน่อยท่านจําได้ไหมท่านทําไว้อย่างนี้เรามีโอกาสจะฉุดกระชากรากตัวท่านไปสู่ทุกธคติเจ้าของความเดือดร้อนมาแบบนี้เดือดร้อนเดือดร้อนแล้วไปไหนมันบอกว่าก่อนตายเนี่ยจะเป็นเครื่องวัดว่าจะไปไหนเราวัดใจตัวเราเอง พระองค์ทรงแสดงว่าถ้าจิตพองไสไปสู่สุคติถ้าจิตไม่พองไสไปสู่ทุกคติดูใจตัวเองว่าพองใสหรือไม่พองไสยอยากรู้ว่าตายแล้วจะไปไหนเราคอยดูใจของตัวเองว่าใจเราผองไสไหมถ้าใจพองไสไปสู่สุคติถ้าใจคุณมัวไปไหนไปสู่ทุกคติตอนนี้ถ้าเกิดใจคุณมัวเนี่ยนอนไปไหนไปทุกคติแก้ได้ไหมเอ มีโอกาสแก้ได้ไหมโอกาสแก้มีเนะี่มีวิธีการแก้แก้อย่างไรอ่ะแก้ด้วยการรู้เท่าทันใจของตัวเองวิธีการแก้นะบุคคลใดฉลาดในจิตของตอนเองบุคคลนั้นจะโตกัสอาคุสนและจำให้นำไปทุกข์ได้ถ้าฉลาดในการดูจิตในวาระสุดท้ายวิธีการแก้ไขแก้ไขอย่างไรก็คือฝึกดูใจให้ชานาญ ในขณะใกล้ตายจิตคุณมัวจิตเป็นอกุศลถ้าฉลาดในจิตของตอนเองเอาสติระลึกถึงจิตที่คุณมัวสติเป็นกุศลพอสติระลึกถึงกุศลเกิดพอกุศลเกิดอ ก, กุศลหมดโอกาสที่จะนําไปแต่กุศลนั้นกําลังนําไปไม่พอกุศลมีกําลังนําไปไม่พอทําไมกุศนจะเปิดโอกาสให้กุศลที่เคยกระทํามาในอดีต ส่งผลเขาจะทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสเะนั้นสามารถเปลี่ยนจากทุกขติไปสู่สุขติได้ถ้าฉลาดในจิตกรณีการฉลาดในจิตต้องทำแบบไหนต้องฝึเกเจริญสติถ้าจะให้ดีนะวันนี้หมดเวลาอยากจะฉลาดในจิตตมาทราบข่าวแววๆจากเจ้าหน้าที่นะว่าจะจัดติดต่อกันสี่ครั้งหนึ่งเดือนวิธีการเจริญสติ วิธีการผ่านใจตัวเองและต่มาจะนำเรื่องนั้นมาบรรยายอีกสี่ครั้งและท่านทั้งหลายจะฉลาดในการผ่านจิตของตัวเองเมื่อเราผ่านจิตของตัวเองออกได้เราจะปิดอบายภูมิให้กับตัวเราเองแล้วจะนำตัวเราเองไปสู่สุขคติสถานะเดียวเท่านั้น